เราก็นั่งกันไม่ต้องกาทดมมือก็ได้ตอนนี้นะไม่ต้องมาะดมมือให้ทุกคนมาปฏิบัตารฝึกสติกันสักห้านาทีสินทีใช้บรรยากาศที่เรามารวมตัวกันทาวัดเย็นคนใหม่คนเก่าลองึกสร้างความรู้สึกตัว คนใหม่ๆก็ทำเลยที่บอกไว้ตอนภาคบ่ายกนั่งสร้างจา้าหวะเคลื่อนมือตัดจังววาให้รู้สึกหรือว่าฝึกเดินโยนกลมกากตะลกก้าวเป็นปัจจุบันสัมผัสรู้สึก การ น, นี้ก็เพื่อให้เราไม่อยู่กับความคิดความคิดมันคือสมมุติบัญญตัติคิดว่าดีคิดว่าไม่ดีสิ่งเดียวกันคิดว่าดีคิดว่าไม่ดีเวลาผ่านไปมองมองแต่ละ ม, มุมแต่ละขณะนะความคิดไปตีความความหมายต่างๆเป็นสมมติบัญญัติ สมมติแล้วมันหยัดลงไปว่าชอบไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับความคิดนะเราจึงมาฝึกให้จิตมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวแล้วการเคลื่อ น, นไหวของกายเป็นต้นกระทบกลางหนึ่งกระู้สึกกลางหนึ่ง การเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะอย่างนี้ยที่เรากําลังทำนี่มันเป็นภาวนาเปญนบัญญัติเป็นบัญญัติที่สูงสุดในการที่เราได้ชีวมนุษย์จะทําให้เราเห็นความจริงในภาษาธรรมะเรียกว่าปามัตถสภาวะธรรมคือเห็นจะทำตามความเป็นจริงรูปตามนามธรรมไม่ใช่เรา แต่การที่มันมีนะการยึดเข้าไปในสิ่งที่ถูกรู้นะมีกายนะเรารู้สึกไปกับกายทุกไปกับกายนะนะอันนี้เรามารู้สึกตัวเราจะเห็นแล้วอขนาดที่มันรู้สึกนะกายมันก็ไม่ได้มีภาษาอะไรหรอกที่มีความคิดปรุงแต่งตีความเข้าไปในเรื่องราวต่างๆ มันไม่มีคำว่ามือได้ซัำไปเกลื่อนเฉยๆสัมผัสกระทบเฉย ๆ, ๆนะมันมีคำว่ามือหรอกมีระดุนก้อนเคลื่อนไปรู้สึกไปรู้ตามความเป็นจริงนะมันจะเกิดปัญญาเห็นของจริงขึ้นมาเป็นปัญญาภาวนามันไม่ใช่การคิดแบบระดมสมองแบบแยกแยะ โยนิสซอว์มนกิการทำใจแใยบกายคิดพิจารณาการพูดให้ฟังนี้เป็นปัญญาจากการฟังสุดต้มยัญญาเป็นรักณะของปรตโตโกจะเป็นภาษ า, าศาสนาหมายถึงแหล่งข้อมูลจากหนังสือตาดูหูฟังหูฟังเสียงตากระดูหนังสือนัองหา เป็นแหล่งสุตตายิยยาเราอ่านแล้วเราดีในฟังแล้วก็ใข้ครวนคิดดูพิจารณาเทียบเทียมกับประสบการณ์ตรงของเรานะเทียบดูเปรียบดูเทียบดูเทียมดูมันเป็นยังไงเนะจงหรือเท็ดนะถ้าจริงจริงอะไรเท็ดเท็อย่างไรเราก็จึงนะ เดินทางให้เร็วที่สุดลั ด, ลดหนเป็นปัญญาภาวนาเดียวก็ว่ามนะุษย์ตุกๆชีวิตทุกเพราะมีความคิดนะที่เกิดมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งออกตั้งใจความคิดประเภทที่หนึ่งนะมันไม่ได้ตั้งใจมาคิดเกิดขึ้นมาประเภทที่สองก็คือเราเจตนาตั้งใจลงไปที่จะคิดนะทํางานทําการนี่ก็มูลชัดเจนตรงแล้วก็รับผิดชอบนะ เราแสดงออกใช้จงเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นหน้าที่ต่อไปเราก็จึงมารู้จักความคิดเห็นความคิดความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวทัภาวะของสติที่มีอยู่ตามสมควรของแต่ละชีวิตวก็แสดงตัวเป็นทารู้รู้รู้ถูกรู้รู้ถูก กหมายถึงเคลื่อนไหวขณาหนึ่งก็รู้สึกตัวครั้งหนึ่งรู้เท่ารู้ทันเคลื่อนไหวขณะนหนึ่งกระทบสัมผัสครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งเก็บเอาไว้เนะก็บแต้มของความรู้สึกตัวสภาวะของผู้ดนะูมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าแสดงเนื้อแสดงตัวเหมือนกันเนะมื่อก่อนมันไม่ดนะูมันดูเหมือนกันแต่มันดูไปนอกตัวนะแทนที่มันจะกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเอง มันก็เทียวไปดูนอกตัวมันก็ว่าให้ความสำคัญการลมภายในวัตถุ ก, กรรมมุคลตาดูเห็นวัตถุมากมายเหลือเกินสีสันที่เขายามปลุกแล้วให้เห็นทางตาแสงทางทีวีทางหนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่ง สังคมที่พยายามให้เรามองเห็นไปโฆษณาต่างๆชวนเชื่อคว <c oughs> ามสุขที่คุณดื่มได้ความสุขที่คุณดื่มได้มันเป็นความสุขยังไงกั น, นกินที่ไรก็เมาทุกตีสปายไวโลเลอร์ต่างๆเบียร์เหล้าสุลาของออกฤทธิ์หมักดองแอลกอฮอล์แต่เขาก็ยังโฆษณาให้เรา เดิมขณะที่เราเดิมแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวหลายคนก็จะมีอาการเดียวกันเราเห็นเอิมบุกนาพยายาเหมือนเหมือนกันรู้สึกอบอุ่นขึ้น ไ, ไปท้ายสุอไปลาหนาของไปทิศทางเสื่อมวันนี้เรามารวนตัวกันลองทำอีกสิ่งนึงดูนะการเคลื่อนการไหวแต่ละขนานะ การเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่วัตถุกรามกุลนะมันเป็นเรื่องของการกลับมารู้ถึกตัวทำให้เราเห็นนะกายใจรูธรรมนำามาทำชัดเจนเราก็เลือกนะเลือกที่จะคืนสู่ปกติจิตใจของเรามันก็ต้องนะมีความเป็นปกติ มาตรฐานของกายก็มีอยู่เลือดต้องมีความเข้มข้นเท่าไร่หัวใจต้องเต้นหนึ่งนาทีกี่ครั้งอุณห ภ, ภูมิเตอร์ ม, ม, มิเตอร์วัดได้จอหนักส่วนสูงไขมันดีไขมันเร็วมากมายแล้วเกินน้ำตาลในเลือดเสร็จแล้วเราก็รู้ค่ามาตรฐานของกายการเก่งการกลาย เรืว่า ร, ระบบษรสาก็สามารถวัดได้เดินลมไปจิตหลอเลี้ยงตุกเซลอย่างไรจิตใจของเราสามารถวัดได้ดการนี่แหละเคลื่อนมือรู้สึกตัวตุกกลางที่เคลื่อนมือรู้สึกตัวจะหวาหนึ่งเคลื่อนก็นรู้สึกกลางหนึ่งเราก็จะเห็นจิตของเรามันสมเป น, นทุกบางทีก็ง้อง่วงที่ก็เบือ่อเซ็งต่างๆ บางทีเรื่องผ่านไปแล้วก็เก็บเอามาคิดใหม่กลายเป็นคนฟุ้งสร้างลังเลสงสัยการปัญาบาัตรมากมายที่จะแสดงออกมาให้เราได้ศึกษาทำให้เราเกิดความเข้มแข็งเราก็ดูแล้วดูอีกรู้แล้วรู้อีกเห็นแล้วเห็นอีกได้คําตอบก็คืออะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเมื่อเราวัดดูอารมอย่างนี้เป็นบุญอารมอย่างนี้เป็นบาป อารมณอย่างนี้หนักอารมณนี้เบาตอนหลังเรามองเป็นเพียงแค่อาการนหนึ่งวันสองวันสามวันมันจะมีหรอกบางคนก็ตอบได้เป็นแค่อาการของกายของจิตข้างนอกก็เป็นแค่กิริยาอาการซึ่งจิตของเราก็สามารถจะดูได้เห็นไดน้ก่อนที่เราจะฝึกปฏิบัติมันเห็นไม่ได้เห็นได้ไรหลงไปทุกทีหลงไหลเริ่มเน้เริ่มตัวอยาเงี้ยแต่พอเราล่มมีความตื่ตัวฝึก 1>, 1ชมงสองชมงวินาทีละหนึ่งกลงหนึ่งรูอย่างเงี้ยนสองนาทีก็สองรูสามนาทีก็สามรูสี่นาทีก็สี่รูห้านาทีก็ห้ารูอย่างเงี้ยขนาดหนึ่งรูครั้งหนึ่งแกะเก็บสะสมแต้มความรู้เนื้อรู้ตัวนะห้านาทีก็สามร้อยูหนึ่งชั่โมงก็สามพันหกร้อยูมันก็ไม่ทุกสามพันหกร้อยขนาดเพราะทุกขนาดมันปกตทกิทุกขนาดมันก็รู้สึกตัวเงี้ย มันก็เลยนะเกิดความเคยชินกับการที่ออกมาจากความคิดในขณะที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็มักจะเข้าไปในความคิดคิดไปอดีตบ้างคิดไปอนาคตบ้างคิดพีผ้าวิจารณ์บ้างคิดสารพัดคิดนะมากมายเหลือเกินที่เจตนาก็มีน้อยน้อยแต่ที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยทั้งวัน ไอที่อยากจำกับเริ่มที่อยากเร่มกับจำคนแก่คิดไปอดีตคนหนุ่มคนสาวก็พุง่งไปในอนาคตเราก็เลยมากาหนดรู้การเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันให้มันหยุดให้ความคิดมันหยุดให้มันเป็นเรื่องของความเป็นปกติถึงเวลาไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องคิดซะบ้างเช่นเวลารับประทานอาหารเงียไม่ใช่เวลาคิด เวลาที่จะนอนอย่างเงี้ยก่อนนอนไม่หาเรื่องมาคิดนอนหลับพักผ่อนกายใจของเราาเงี้ยแต่มันก็ยังคิดได้อยู่เสมอนะไม่เหมือน ก, กรรมกรก็ขุดดินนะกรรมกรขุดดินเจ้านาดำนาไปถึงเนืเหนื่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนอนหลับปับ๊บหัวถึงหมอนเนี่ยหลับอร่อยไปเลยแต่คนส่วนใหญ่ตนนี้ทางานด้วยสมอง หมอพยบาลต้องทํางานกับกระดาษต้องเขียนรายงานระบบกฎหมายต้องป้องกันตัวเองมากมายคิดหลายชั้นคนเดอร์เนี้ยคิดบางทีจนงงตัวเองนะเะฉะนัเวลาก่อนนอนก็จึงทางานความคิดกหยุดไม่ได้ไม่มีเบรกเหมือนรถแรงรถแรงแต่ว่าเบรกไม่ดี ทายสุดก็คืนไงกังเิเป็นควันค ว, วันเป็นเปลฟุ้งซ่านท้ายสุดนอนหลับก็ไม่ได้พักต่อนนอนฝันนั้งเกิลกายนอนอยู่พักอยู่แต่จิตไม่ได้พักเลยเนื่ยฝันเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องโ น, งน้นฝันอยู่นั่นแหละตื่นมาก็เหนื่อยบางทีตื่นมาก็ยังมานั่งตีออกอะไรว่างวดนี้มองเป็นหวยหไปอีกนุ่น เล็กท้ายกี่ตัวสองตัวสามตัวบนล่างนอนแต่ว่าไม่ได้รับชาวตื่นมาซื้อหวยต่อท้ายสุดตอนออกก็ไม่โดนก็เครียดจัดอีกก็สารพัดเป็นไปได้ทั้งหมดก็เลยว่าเออเรามารู้สึกตัวกันก็ต้องทําให้เป็นนะนะที่เรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยต้องทําให้เป็น ว่าใหม่ๆมันเป็นไม่เป็นนตัตตมรสนใจใส่เกียร์ลุยอย่างเดียวเลยเ <c oughs> คลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกให้รู้ไว้ว่าเป็นหลักปฏิบัติพยายามเจตนาเคลื่อ น, นให้ตัวที่เราไม่ได้เจตนาเคลื่อนก็นมีเช่นลมหายใจน ะ, นะเรานั่งเราหายใจเข้าหายใจออกนอนหลับก็ยังหายใจอย่างงี้นะแต่ตัวพลิกมือนี่เราเจตนากระทำขณะที่ยกมือขึ้นมารู้สึก เจตนากระทํำปิกมือตั้งรู้สึกเนี่ยยกขึ้นมารู้สึกวางที่สะดือรู้สึกเจตนาก็คือกรรมนะเจตนาทำกรรมดีมันก็ดีเจตนาทํากรรมชั่วมันก็ชั่วอันนี้เจตนาทำกรรมมาตรฐานนะเจตนาคือกรรมนะกรรมคือการกระทำํำนะแต่ว่ากรร ม, มฐานเนี่ยมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกนะมันยกเฉยๆมันรู้สึซื่อนะตอนเนี้ มันยกเฉยๆรู้เสื้อเสื้อมันก็ได้อุเบกขาธรทำอุเบกขาทำรรจิตล้วกเฉยๆรู้อยูนะ่มันก็ค่อยๆพอกพูนเจริญเติบโตขึ้นมาไอตัวเฉย ๆ, ๆ, นะ ๆ, ๆนะมันก็เป็นทั้งพรมเป็นทั้งแผะนะเป็นพรงก็หมายถึงว่ามันเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ได้นะเห็นก็ทุกข์ก็หยิบยืนมือไปช่วยเขานะการุณาช่วยเขาหายจากทุกข์ ช่วยได้ก็นุโมทนาส่งสาธุสาธุสาธุยินดีด้วยนะเราก็ปล่อยยินดีเห็นเขาสุขเห็นเขาหายจากทโรแล้วก็ใจฝีไม้ลายมือสุดฝีมือกอ็ดีขึ้นมาเราก็เป็นบนุญนะจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาบา ง, งทีเราก็ช่วยไม่ได้จริงๆอย่างพยาบาลช่วยคนไข้คนไข้ก็ตายคามืออยากยาติยากอยาคนไข้ก็ร้องโ h ม m ร้องไห้ไ เราก็จะไปร้องไห้เขาทุกไลน์มันก็ชีวิตนี้อาชีพนี้ก็ทุกมันก็ไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับคนไข้ก็ป่วยบาง ท, กทีก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องแค่โครคไข้ไกเจ็บอย่างเดียวเป็นปัญหาลูกผัวตัวเมียบางคนสองสามสี่ปัญหานี่สิ่งต่างๆามาระบายใส่ถ้าเราไม่มีตัวเบรคขามันก็ทุกตาย นะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีเมตตานะมีกรุณามีเมตตามีอเบคาแล้วก็ทําไปตามขั้นตามตอนก็ทีมกันจะชี้เห็นว่าอเบขาก็เป็นพรหมก็ได้เพราะเป็นพระก็ได้เป็นพระก็หมายถึงการมีสติแล้วแลวอยูนะ่เห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่ทุกขนะ์แต่รู้อยู่ก็กำลังมีปัญญาที่จะช่วยอยู่หรือว่าช่วย แต่อันดับแรกก็คือรักษาใจของเราไม่ใทุกข์ไงนะในความรู้สึกตัวก็ทําให้เราเห็นปฏิญาณหนึ่งเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราก็คือในขณะที่โลกนะี่มันมีปัญหาเช่นนะเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นตน้นะตัดไม้ทําลายป่านะบางทีอากาศก็ร้อนโลกร้อนอยนน่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์คนคนเดียวนะ มันไม่ได้มันก็ต้องหลายหลายคนคราวนี้เราจะไปบอกคนหลายหลายคนให้เป็นอย่างเราก็บอกไม่ได้เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วเกินเดี๋ยวแผ่นดินไว้เดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดปรเดี๋ยวก็มีลมตรอนาโดในประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องเดียวทักโก็มีลมพายุต่างๆเกิดขึ้นมาลุกแล้วลุกเล่าละลอกแล้วละลอกเล่าเกิดความเสียหายยังไง ทีมก็ช่วยไม่ได้จริงๆเราก็ต้องตั้งสติดีๆเนะห็นโลกตามความเป็นจริงนะมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแออยู่บางทีก็มีปัญหาต่างๆนะสังคมบ้านเมืองของเรานะคนดีทะเลาะ ก, กันคนดนะีดีทั้งคู่แต่ว่าฆ่าฟันกันอย่างเงี้ยเราก็โอ้คนไทยฆ่ากันบางทีก็ต้องใช้อเบรคขา มีสติแล้วแลวอยู่มีสติแล้วแล่แลอยู่รู้สึกตัวต่อไปอย่างงี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะปัญหาเรื่องท ร, รัพย์สินเงินทองไม่พอใช้นะสุขภาพไม่ดีหรือว่าสังคมครอบครัวนะเรื่องของต่างๆนานาเราก็สามารถที่จะเป็นครูของเราในการทีนะ่ความรู้สึกตัว มีสติแล้วแสอยู่มีสติแล้วแลอยู่ถูกใช้ออกมาเป็นพลังของปัญญาอย่างเงี้นะผ่านได้ตลอดเขนะาไม่เข้าใจเราเราเข้าใจเขาใชเขาหุนไวแล้วก็ไม่หุนไวเขาสับสนแล้วก็ไม่ได้สับสนอย่างเงี้นะเขามีปัญหาเราก็มีปัญญาก็ไม่รักเราก็ไม่เป็นไรนะมันก็เลยมีลักษณะของมีสติแล้วแสอยู่โดยว่าการเห็นในตัวของเรา เห็นกายตามความเป็นจริงปกติเราก็หลงกายของเราตั้แต่ห yup ัวจรดเท้าบางทีเราก็หลงผิวหนังของเราต้องการใสขาวเด้งนะก็หมดเงินหมดทองหมดทรัพย์ท้ายสุดก็แก่อยู่ดีเห no? ี่ยวอยู่ดีผิวหนังเราลอกขึ้นมาเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวปั้นก้อนกลมๆได้แค่ผลพิษาความสวยมีแค่นี้ผลพุษานะ บางทีเราก็หลงหลายคนก็หลงใบรุ่นเน่บางทีสิวขึ้นเม็ดเดียวถึงก็ฆ่าตัวตายสองกระจกแล้วก็บีบสิวหน้าชั้นหน้าชั้นหน้าสั้นบางคนก็บอกมาวัดเพื่อนทักเลยหน้าดำขึ้นสมัยที่ไม่ได้มาวัดเนี่ยหน้าขาวก็ขบันขนาดนั้นก็มีโอ้ก็หลงเนื้อหลงตัวกันนะบางทีก็หลงเข้าไปใน จิตใจของเราซึ่งมีความคิดอย่างงี้นะความคิดเกิดขึ้นเป็นสุกเป็นทุกข์มากมายเละเกินที่เราไม่ได้เจตนานี่ก็เผลอหลงเข้าไปเวทนาก็มีในจิตใจของเราสุกทุกสุกทุกแสดงออกมาหลังจากถูกกระทบอารมณ์มากระทบก็กระเทือนทันทีก็เพื่อมทันทีกระเพื่มแล้วก็ไม่รู้ก็เพื่อมอย่างเหมือนก็โดนลงไปในทะเลนคิดก้างหนึ่งมันกึ้นลูกหนึ่งละลอกแล้วละลอกเรา เราก็เหมือนกับจมในความคิดมันก็จมลงไปในคลื่นไงก็สำลักก็สำลักความสุขความทุกข์ไงบางทีสุขมากๆก็สำลักเหมือนกันนะบางคนนี่อิ่มจนเอียนแล้วความสุขนะจนอยากจะอกือกวันถุนหนึ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสามอยู่วันนึงเห็นมีความสุขนะมีความสุขจนกระทั่งมันชินไม่เห็นมีอะไรใหม่ๆ ม, มันเอียนเลยนะเอียนจนอยากอือกเคยเป็นไหม มีอะไรก็เห็นมีความสุขประ่นหนึ่งสามบางคนหนึ่งสองนอะไรมันก็ดีหมดนะแต่ทำไมมันขาดอะไรบอกไม่ถูกนะนางทีก็เป็นอย่างนั้นนะวิถีของปุถุชนนะคนหลงโลกนะเรียว่าเห็นแก่ตัวเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะศาสนาธรรมความจริงนะก็เหมือนกับสมัยระการมนะีพระอยู่รูปหนึ่งนะ ก็เดินจากนู้นปารณาสีมาที่สำหนักของพระเจ้าที่ป่าอิสิปัตนาเมลกระทายวันเมืองสัลนาศลนารลนาชื่อยักษากุลบุตรเดินไปก็บนไปโอ้ยวนวายเนาะวนวายเนาะขัดข้องเนาขัดข้องเนาะเป็นลักษณะของหนุ่มเจ้าสํารานลูกเศรษฐีเจอลักษณะของความสุข ที่มันทับถมจนสำลักพ่อแม่แบ่งมรดกให้พ่อแม่เนี่ยเอาไว้แค่ส่วนเดียวให้ลูกสองส่วนเลยตัวเองก็ไม่เคยไม่เคยต้องมารับผิดชอบอะไรบัตรนี้ต้องมารับผิดชอบไปชอบสมบัติชอบสิ่งจริงการหลายโกรธหลายหมากระพัะะนะเสร็จแล้วก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทุกเนอทุกเนอทุกห น, อ, ก น, อ, กนอเดินบน ประมาณสิกิโลนะจากปรารถนาสีไปที่ไปสิปันนักหรือก็ไต้หวันเสร็จแล้ ว, วลพระเจ้าได้ยินก็บอก <c oughs> ที่นี่ไม่วุ่นวายเนอที่นี่ไม่กัดกล้องเนาะตรงมาสํานักของเราเถอะเสร็จแล้วยักษาคุกดิ์พก็เดินเข้าไปโอ้เสียงไข่เนาะเราบอกว่าทุกหนอก็บอกไม่ทุกหนอแล้วบอกกัดกล้องเนอก็บอกไม่กัดกล้องเนอ เราพูดเราวุ่นวายเนอก็ก็สวนกลับมาไม่วุ่นวายเนอจงมาที่นี่นมาสํานักของเราเถอะก็เลยถอดรองเท้าแล้วก็เดินก็ไป <c oughs> พอเดินก็ไปปับ๊บนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าไอ้ที่เธอทุกอยู่ทุกวันเนี่ยเนะนื่องจากขาดบุญขาดบุญนะบุญเนี่ยคือความสุขที่ได้มาโดยชอบเธอขาดบุญนะให้ทําบุญไว้บ้างทําทานไว้บ้างนะเย ยศศากุลก็นังฟังว่าเราขาดบุญเลยเนะี่ยถึงบุญเขว่าทุกหนอทุกหน อ, อกมาอ๋อบุญมันคือการให้นะแล้วบุญก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบอ๋อนะหลังจากที่เธอทําบุญแล้วเธอก็จะมีความสุขเรืวสักเคพระเจ้ากระเทศเรื่องสักเคทําอะไรมั่งจะมีความสุขไปทำซะมงคลสามต่างๆนะให้ไปทําทําแล้วจะได้ความสุขขึ้นมา โอ้มันเป็นอย่างนี้หรือความสุขต้องทําดีนะอย่างพวกเราก็าคือนะกินข้าวรู้จักแปลงฟันนั่นก็เป็นบุญแล้วนะมีเสื้อผ้ารู้จักใส่รู้จักซักนะเป็นบุญแล้วนะมีรถรู้จักรางรถนะมีต้นไม้รถต้นไม้มีสัตว์ให้อาหารสัตวนะ์เจอคนตกทุกข์ได้ยากเจอสัมภ н ชีพราหมณ์ไม่หลอกนะไม่หลอกแม้กทั่งขอทาน อาเนี่ยเป็นบุญเสร็จแล้วเนี่บุญเป็นอย่างนี้เหรอแต่ยศะนะในขณะที่เธอทําบุญมีความสุขนะีมันก็ติดได้เวลาเรามีความสุขนะทําดีติดดีบ้าดีจนทุกข์เพาความดีทําเป็นได้นะนะบางทีก็หลวงติดดีเอาดีมาทะเลาะกันนะเอาดนะีเราก็ดีเขาก็ดีเรนะาไทยสะกมาชนะกันนะ มันก็เป็นความทุกข์มันต้องรู้จักนะออกจากการยึดติดความดีด้วยนะนะการหลงในการกินเกลียดวัตถุ ก, กรรมกุลนะต้องออกเลยนะนะอันนั้นแหละก็คือดําริออกจากกามเหมือนพวกเราที่มาอยู่วัดดุวาเนนะี่ยดำรีออกจากอารมณ์ที่อยู่ ร, บรอบๆตัวเราขณนะอยู่ที่ทํางานที่บ้านนะที่ไหนๆก็ตามมันก็ไม่พ้นหลงไหลไปกับวัตถุ ก, กรรมกุลมีความสุข ที่เกิดจากการเสพวัตถุหนึ่งสองสามบคคลหนึ่งสองสามมาอยู่ที่นี่เราก็ลดละเลิกบางอย่างเราก็ไม่ได้ทำเลยวันเจดวันที่อยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเนกกะคัมมะใส่ศีลแดลงไปหนึ่งสองสามทีห้าเจ็ดปดใส่ลงไปคือปกติ8ข้อของคนอยู่วัดอยู่ว่าประพฤติ ท, ทำกันประพฤติปรมจันทร์ ก็เรียกว่าดําริออกจากกรรมเนกากรมะถือบวชเป็นอุบายเข่าไก่พระนรตะไ่จะแล้วเมื่อเธอดาริออกจากกรมเนกากรมะแล้วต่อมาก็คือให้รู้เรื่องของสติปัฏฐานสี่ก็คือการมีสติเลืกรู้ไปในกายเห็นกายแต่ว่ากายไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาเห็นเวทนา สัาว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นจิตในจิตนมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมในธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยผมไม่เห็นธรรมะแจ่มก็ต้องเห็นความจริงแล้วนาสามอย่างเกิดขึ้นมาก็คือผ้าไต่ลักแล้วนาของความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนหรือว่าทุกๆอย่างทุกขังเกิดกับกายของเราใครไม่ทุกไม่มีนะ หายใจก็เป็นทุกขนะ์นัแงเจ็บปวดเมื่อยก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะหิวข้าวปวดตาสวายอุจจารก็เป็นทุกข์อย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะใชรมีร่างกายมีท่าตสี่มันก็เป็นคุปขังเราอยู่แล้วคําว่าไม่ทุกข์ไม่มีสําหรับร่างกายของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์เลี้ยงานศัลษาลาสิ่งต่างๆมันเป็นก้อนทุกข์มาแสดงทุกข์ขังก็มันออกมา ต่อมาก็คือทุกขอรยิยสัจ4ี่คือทุกครั้งที่คิดนะมันจะเกิดทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกิดมาในนั้นแต่เรากําหนดรู้ความคิดมันก็เป็นมรรคเนี่ยนะมันก็เป็นนิโรธนะแต่เรากําหนดรู้มันก็ไม่ทุกมันก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นทันทีจากความคิดนะมันเป็นทุกขอรยิยสัจ4ี่เตแห่งทุกข์ก็คือสมุทยัยสมุทัยคือตัวคิดเนี่ยตัวสังขารนะถ้าหลงเข้าไปในความคิดก็คือเกิดทุกข์แน่นอน เพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือหลงก็ไปในความคิดอเียนะถ้าหลงก็ไปในความคิดคุณก็ต้องเจอทุกข์เพราะนั้นทุกข์ต้องกำลัดรู้นะ่างเงี้ยสมุทัยต้องห่างหามันหน่อยละละมันหน่อยยว่าความคิดเนี่ยละันทีจะไปยุ่งกับมันมาที่ความรู้สึกตัวเนี่ยอย่างเงี้ยการเคลื่อนการไว้ของกายนะนะถ้าเป็นทุกข์กายผ่อนคายบรรเทาแก้ไขกับมันก็เริ่มเรียนรู้เรื่องทุกขริยสั้นี่ เราก็เห็นความจริงจนกระทั่งบรรลุธรรมวันแรกเข้ามาในะบรรลุธรรมเลยนะเพราะองค์สมเด็จสัมมาวุเดชพูดความจริงเราอ่านประวัติพุทธประวัติแล้วรู้สึกเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาขึ้นมามันเป็นจริงหรือนี่พุศาสนาะคนทุกนะก่อนเข้าวัดนิดเดียวไปเดินเข้ามาในวัดทุกหายไปเลยนะหรือเช่นคนบ้าหญิงบ้าคนหนึ่งเดินเข้าวัดวัดนี้คนบ้าเยอะนระวังดีน เดินกันมากันเยอะบ้าแบบไหนกันมากมายเหลือเกินบ้าดีบ้าสารพัดบ้าทรัพสมบัติบ้าของบ้าเยอะแยะไปหมดแต่กนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้นี่มันบ้าเพราะว่าลูกตายผัวตายพ่อตายแม่ตายหญิงสาวบ้าคนี้ชื่อปาตายลาไปลว่าหญิงบ้านแหละถ้าครชอบดูหมอลำดู เรื่องราวต่างๆที่พระสงฆนะ์เทศตามมัตามบต า, มบ ต, ามบต่างๆก่าจะเคยได้ยินหรือว่าหนังสือหลายเล่มก็ชอบเขียนนะเรื่องนี้มันขายได้นะปฏตยาลาก็ว่ากันวะ่าในหนังสือด้วยนะพุทธประวัตนะิในพระไตรปิฎกนะมันมีพูดถึงผู้หญิงที่บรรลุธรรมแต่ต้องไาก่อนบุปผกรรมเป็นอย่างนั้นผัวตายเพราะว่าเอา ธาตในเรือนมาเป็นสามีธาตในเรือนก็หมายถึงผู้หญิงพ่อแม่เป็นเศรษฐีดูแลดีเหลือเกินไม่เอาออกไปพบผู้ชายเลยอย่างเงี้ยจับคุมถุงชนก็นีนางเอกน่ยไม่รักเลยผู้ชายที่พ่อแม่เลือกให้รักธาตคนเนี้ยส่งข้าวส่งน้าทุกวันโอ้งนั้นเราหนีกันไปดีกว่าก็าโมยทรัพย์ของพ่อไปด้วย เสร็จแล้วระหว่างเดินทางรอนแรมไปเอาความรักออกหน้าออกตากัดก้อนเกลือกินยอมยอมพ่อแม่ไม่สนใจแล้วหนีไปเผชิญโชคะตาท่องโลกกว้างปรากฏว่าท้องขึ้นมาคิดถึงแม่อยากกลับบ้านสงสารลูกตัวเองในท้องคลอดมานนาจะลำบากจะทุกข์ก็สาหนีกลับมา สามีไม่พากลับเพราะเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านพ่อตาเอาตายนางพัญาลาก็จึงหนีกลับมาเองสามีหนุ่มก็สะกดรกลอยแต่ว่าไม่เข้าใกล้คิดว่าถ้ามีภัยก็จะช่วยตะคอดกลางทางก็จะช่วยเป ร, กราก็ตะคอดกลางทางจริงๆสามีเข้ามาช่วยนางเห็นว่าเออทําให้ลกูกนลําบากสามีลําบากเป็นทุกข์แล้วนางเองก็เป็นทุกข์จึงเชื่อสามีลักตามกันไป เข้าป่าดงพงไปเดินไปเรื่อยเปื่ยระหว่างรอนแรมไปนะในเวลาหนึ่งปีก็มีลูกหัวปีท้ายปีคนโตก็ยังไม่ได้ขวบคนในท้องก็ได้ก้าวเดือนจะคลอดอีกแล้วใสจแล้ววัน น, น, น, นั้นฝนตกหนักนะเราก็ว่าฟังต่อไหมฟังต่อไหมฟังแม่ฟังหมชอบฟังเรื่องแบนี้เนี่ ย, ยฟังต่อก็ฟัง การ น, นี้ปรากฏว่านางพยาลาเนี่ยคลอดลูกเพลิงพักก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีก็บอกสามีว่ า, านายจ๋านายจ๋าไปตัดเพลิงพักเอาไม้มาทําเพลิงพักกันดีกว่าสามีก็ไปตัดไม้หายไปเลยไปตั้งต่าบเย็นก็ไ่กลับมาคืนก็ไ่กลับมานางพยาคลาอดลูกกอดเอง โลกกะก อ, อกกินน้ําเหลืองกินนมเลือดเลือดเทอะไปวันนะคนโตกระโซหลาบคาตักคนเล็กเตรียมหลังคอดมาเขาระโยงระยางนางก็รอสามีทั้งคืนเลยไม่มาลุงเช้าหลังจากที่ตัวเองก็จัดการรัดสายสะดือตัดสายสะดือเสร็จนางก็กเกษตรขสนเดินไปทางที่ผัวหายไปสามีหายไป เจอตายว่างูตรงอางหัวงไข่กัดตายนางก็ร้องห่มร้องไห้คำควรนายจ๋านายจ๋าฉันจะอยู่กับใครฉันจะอยู่ยังไงนายจ๋านายจ๋าไท้ายสุดก็คือเอาใบไม้หักมาปิดศพสามีแล้วก็เดินไปทางทิศทางที่คิดว่าจะกลับสู่บ้านของตนระหว่างเดินทางก็ไปผ่านแม่น้ําอาชิระวะดีก็เดินเห็นว่าน้ํามัน เยอะนะฝนตกใหม่ทำในดีละ่ะลูกสองคนจะข้าไม่ได้ยังไงนางก็เลยตัดสินใจวางลูกคนโตไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พาลูกคนเล็กนะไปก่อนไปถึงปับาบก็าใบไ ม, ไม้เอาผ้ามาปูเสร็จแล้วก็วางลูกนอนลงคนเล็กเสร็จแล้วก็มารับลูกคนโตนะระหว่างถึงกลางแม่น้ำก็มีเหยี่ยว ตัวใหญ่โฉบลงมาคาบเอาลูกคนเล็กไปสองโลเศษเศษนะก็ฝักมือเรียกโอยอย่าลูกชันไปอย่าลูกฉันไ ป, อนไปเอาลูกฉันคกนมาขอลูกลูกคนโตก็เห็นแม่โบกมือไว้ไหว้กันว่าเรียกให้ไปก็เดินลงไปในน้ำก็ตกน้ำจาหายไปตัวหน้าตาัตาถ้าเป็นลูกเราเราจะรู้สึกยังไงพรากฏนางปลายาเนี่ยโอ้ ใจหายแวบเลยลูกตายต่อหน้าต่อตาทั้งสองคนก็เสือขสนขึ้นมาที่ฝั่งแ ล, ล, ล้วก็คล่ำครวนสามีฉันตายดนงกัดตายลูกนเล็กนกเกี่ยวข้าไปคนโตพระตกน้ำตายร้องโหมร้องแ อ, องเสียอกเสีย ใ, ใจขณะนั้นก็พบคำาเดินกลับมาทางบ้านของพ่อซึ่งเป็นมหาเศรษฐี จเจอพ่อค้าพ่อค้าก็ถามว่าเออไปไงมาไงนางก็เลยถามพ่อค้าเหมือนกันว่าพอชั้นอยู่สดีไหมอยู่สบายดีหรือเปล่าอพอชั้นเป็นยังไงบ้างโ อ, โอ้ย่าให้ข้าพูดเลยพอเจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงเบกชั้นเบาชั้นก็มาคืนนั่นแะหนะละฝนตกหนักปรากฏว่าต้นไม้มันล้มมาทับบ้านพ่อเศรษฐีเนี่ยตายภรรยาเมียเศรษฐีก็ตาย ลูกชายก็ตายตอนนี้เผาอยู่เชิงตะกอเดียวกันขนาดนั้นก็สุดห้วแเลยก็คือสติสมรดีขาดสบ้านาบ้าบ้าทันทีก็ น, นี้ก็เกกลิ่งขี้โคลนดินก็เลอะเทอะนะผมเผากระเจากระเซิงเสื้อผ้าหลุดลุยไม่มีเสื้อผ้าปิดกายเปลือยกายเดินลอนจนนะหัวเลาะร้องไหนะ้สลับกัน พมเพอบ่นผัวตายลูกตายพ่อตายแม่ตายเข้าไปในหมู่บ้านคนก็รังเกียจมากชาวบ้านเ็เอาไม้ไล่ตีไล่ฟาดเอาก้นหินไล่ปลาก้นดินไล่ปลาไล่เวียงแม่ให้เข้าบ้านนางเองก็ไปตามบุพกรรมเดินเข้าวัดองค์สมเด็จสามาจเจ้าก็นั่งเทศยูว พอกิอยู่ๆก็ปวดแปร่เกินมาคนก็โตก อ, อกตกใจกันก็ยังไล่กันอีกนะแม่ชีก็ไล่ใจดำจริงเลยเนาะคนบ้ากระมากระไลพอเกิดมาพระเจ้าก็เลยบอกว่าเออให้เธอเอาผ้าไปคุมตัวนะแล้วก็บอกว่าน้องหญิงน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดน้องหญิงน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิด คำพูดประโยคเนี่ยขีดเส้นแดงแ้เลยน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดสติสมรดีที่หายไปตอนนี้พอได้ยินเสียงปั๊บนีสติมันกลายเป็นสติปฐานทันทีฮะแล้วก็บรรลุธรรมด้วยนะเป็นพระโสดาบันเลยรตอนนั้ น, นบ้าอยู่ที่อภิกจิตทีเดียวกันนั้นกลายเป็นพระโสดาบันเล ย, เยก็คือเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้นั่นแหลนะพอจิตมันมาอยู่กับปัจจุบันมันก็คลายความทุกข์ที่ผูกมัดรัดตึงนะ ความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในอกเหมือนกับภูเขาที่พอพระเจ้าชี้นำนิดเดียวให้มีสตินะมันมมนยกภูเขาออกจากอกโล่งไปเลยปัญหาเก่าๆหลุดพวนางก็มีจิตที่พระพัฒสอนปองใสขึ้นมาต่อมาก็ขอบวชเป็นพระพิษุีนะนางพ้เนี้ยบวชเป็นพระพิษุนแล้วตักน้ำลดเท้าขันที่หนึ่งขันที่สองขันที่สามก็บรรลุเลย สติตาคามีนาคาเมแล้วก็เป็นพระรหันต์ในท้ายสุดเห็นนามอานามมาเป็นนิมิตก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนั่นแหละเห็นธรรมภายนอกกําหนดรู uh uh ้มาเป็นภายในะก็กลายเป็นตัวปัญญาญาณขึ้นมานะ่นมันก็เป็นอย่างนั้นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราก็สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนซึ่งในพุทธประวัติต่างๆหนังสือต่างๆหรือผู้รู้ต่างๆ ก็าสามารถที่จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนศัตรูกลายเป็นมิตรเปลี่ยนจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ทำกันได้จริงๆโดยเฉพาะเนี่ยเปลี่ยนจากหลงไปในความคิดกลับมาเบื้องต้นรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะนะนะเราจะฝึกตรงนี้กันเพื่อที่เราจะได้เห็นตัวเองทุกคนก็มีการบ้านมีโจทย์ที่จะต้องเฉลยได้ตัวของตัวเองงานนี้เป็นปัจจตังอาทัยหีตโนานาโถหวังพึ่งใครไม่ได้ เราต้องทําอะไรรู้ด้วยตัวของตัวเองอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงให้ใจของเรามีสติวิญญาณก็ว่านะตอนนี้สองพันหกร้อยปีแล้วนะเรื่องราว ต, รต่างๆนะมันเป็นอดีตมากมายเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์วันนี้แหละหรือนะว่าต้องมีอิทธิบาทสีนะ่ผสมเกลี่ยมีหน้าของจิตตะนะวิมังสาตรงนี้สําคัญนะจันทาวิยะาณนี่เราก็พยายามที่จะทำํำนะความรู้สึกตัวให้มากเท่าที่จะมากได้นะ เพื่อเกิดการไข้ควรพิสูจน์แยกแยะจะนั้นเราสามารถที่จะเห็นจริยธรรมความเป็นจริงเหมือนกันอย่างเงี้ยนะนะพนั้นวันนี้เป็นวันแรกก็พูดเอาไว้ลักษณะนี้ก่อนเพื่อเราได้เหมือนกับว่าเริ่มที่จะเห็นช่องเห็นทางของการที่มาพืชปฏิบัติธรรมกันนี้นะประพฤติปฏิบัติเพราะะฉนั้นก็ขอให้ธรรมะสมควรแก่การปฏิบัตินะก็จงได้รู้ได้เห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติ เราก็ให้เราปฏิบัติอย่างเั้งถึงสภาวะของความเป็นปกติตามสมควรแก่การปฏิวัติโดยทั่วน้าการทุกท่านทุกคนนั่นเอ